ข้อความในคำมพี์พุทธวงศ์ขึ้นวงพระทีปังกรพุทธเจ้าที่หนึ่งในจำนวนพระพุทธเจ้า24พระองค์เนี่ยนะกับพระพุทธเจ้าองค์ของเราด้วยองค์ที่หนึ่งที่จริงเราเพิ่งเรียนตามบาลีได้ข้อเดียวอันนี้มาขึ้นข้อที่สองเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องในอดีต ของพระองค์หรือของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตแก่พระสารีบุตรที่พระสารีบุตรถามเนี่ยนะสอบถามถึงความปรารถนาสอบถามถึงการสร้างบารมีของพระองค์ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ในการไรเป็นต้นพระองค์ก็ตรัสเล่าให้ฟังว่าเมื่อสี่อสงไขยเศษอีกแสนกลับมีนครชื่อว่าอมารนครอมร น, นครก็เเมืองไม่ตายเนี่ยนะเป็นเมืองที่น่าชื่นชม เป็นเมืองที่น่าเรื่อนรมยิ่งนักแตลว่าเป็นที่เจริญตาเจริญใจเนี่นะเป็นที่อยู่สบายน่าชื่นชมน่ารื่นรมใจเมืองนี้ไม่ว่างเว้นจากเสียงสิบเสียงพังพร้อมไปด้วยข้าวน้ำแปล ว, ว่าข้าวปล่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็เสียงโดยปกติก็คือเสียงชวนการทานข้าวเป็นต้นมีเสียงช้างเสียงมา้าเสียงกลองเสียงสังเสียงรถเนี่ยนะ ถ้าพูดถึงอินเดียนี่มันก็เสียงนางสนันริงๆเลยแหละท่านห้องอ่ะเป็นเป็เปเปเปแตรเนี่ยนังสนันไมหมดล่ะเสียงอึกกระทึกไปด้วยเสียงร้องเชิญให้บริโภคอาหารว่าเชิญกินข้าวนะเชิญทานข้าวเชิญดื่มน้ําเป็นนครที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบทุกอย่างประกอบด้วยการงานทุกอย่างวันใครตกงานก็ไปสมัครงานที่เมืองนี้ได้ยังไงเป็นเมืองที่สมบูรณ์ไปด้วยรัตนเจ็ แก้วแหวนเงินทองเพียรพร้อมคลาคร่ําไปด้วยชนต่างๆเป็นเมืองที่มั่งคั่งเป็นที่อยู่ของคนมีบุญเหมือนเทพนครเหมือนกรุงเทพเลยแหละมั้งนะเทพนครนะี่แล้วเมืองเทวดาเหมือนกรุงเทพเลยแหละมนะั้งในนครอมาราวดีมีพราหมณ์ชื่อว่าสุมเมธสุมเมทะแปลว่าผู้มีปัญญาดีเนี่ยนะเชื่อว่าสุมเมทะผู้มีปัญญาดีเป็นคนที่มีกองทรัพย์ไร้โกด เงินครองเขามีเป็นกองอะไรเงี้ยมีซับและข้าวเปลือกเป็นอันมากเขาเป็นชายหนุ่มผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศสําเร็จในคัมภีรลักษณศาสตร์ลักษณศาสตร์คือคัมภีร์มหาปุริสลักษณะเนี่ยนะลักษณะประกอบประกอบอย่างนี้จะเป็นผู้พทะเจ้าลักษณะแบบนี้เป็นพระประเจกลักษณะแบบนี้จะเป็นอัครสาวกเลยจบคัมภีร์ลักษณะสมัยนี้เราจบคัมภี์หมอดูเนี่ยนะ คัมภีร์อิติหาตแล้วก็ในาศาสนาของตนแปลว่าจบลัทธิาศาสนาในยุคนั้นทุกวิชาการครั้งนั้นท่านสุมเมธบัณฑิตคือพระโพธิสัตว์ในอดีตเนี่ยนะคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าบอกว่าเรานั่งอยู่ในที่ลับจึงคิดขึ้นอย่างนี้ว่าเกิดความคิดขึ้นว่าขึ้นเชื่อว่าการเกิดอีกถ้าเกิดใหม่ๆไปเรื่อยเนี่ยนะ เมื่อเกิดและอะไรตามมาการแตกสลายแห่งสรีระก็เป็นทุกข์ถ้าเกิดอีกก็ทุกข์การแตกทําลายไปของร่างกายก็เป็นทุกข์ผู้ที่ถูกชรา ย, ย่ายีในที่สุดก็หลงตายหมายว่าเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตายแบบคนมีโมหะตายด้วยความลุ่มหลงระลึกถึงบุญกุศลคนงามความมีไม่ได้การตายแบบนี้ก็เป็นทุกข์คิดย่อๆว่ะจริงๆอ่ะก็คือมาเรียบเรียงว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์คนที่ลหลงไหลทากาละก็เป็นทุกข์แปลว่าคิดอริยสัจได้เองเลยเนี่ยนั่งคิดอริยสัจขึ้นมานะแต่ว่าไม่ได้กว้างขวางแต่ก็คืออยู่ในวิสัยของตนครั้งนั้นเรามีชาติชราพยาทีเป็นสภาพแปลว่าปกติเราเป็นคนที่มีความเกิดมีความแก่แล้วก็มีความเจ็บป่วยจาเราจักสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตาย เกษมปลอดภัยเนี่ยนะท่านคิดได้นะแยกแยะระหว่างสองส่วนได้เลยชาติชราพยาธิเนี่ยเป็นสภาพของขันอายตนะธาตุฉันจะต้องแสวงหาพระนิพพานที่พ้นจากธรรมะคือความเกิดความแก่ความตายพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นธรรมที่กเกษมเกษมแปล ว, ว่าปลอดภัยเป็นธรรมที่ปลอดภัยโดยส่วนเดียวเพราะว่าพระนิพพานปลอดภัยจากเกิดแก่เจ็บและตาย เอาถ้าต้องการพระนิพพานทําไงถ้าการะไรเราเมื่อไม่ใหญ่ดีไม่ต้องการก็ต้องควรละทิ้งกายเน่านี้ที่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆไปเสียศพตัวนั้นไอ้ซากศพแปล ว, ว่าอสุภะต่างๆเราจะต้องทิ้งกายที่อสุภะเหล่านี้นะผมขนเล็บฟันหนังที่อสุภะเป็นต้นเหล่านี้เราจะต้องทิ้งออกไปวันใครที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยตามคาถาเนี้ต้องไม่อะไรในร่างกายเสร็จแล้วก็คิดถึงอริยมรรคว่า จริงคาถาแรกเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เนี่ยคิดถึงทุกขสัตว์แล้วก็คิดถึงนิพพานที่มันตรงกันข้ามกับทุกขสัตว์ผู้จะ บ, บรรลุนิพพานได้มันจะต้องสละร่างกายไม่อะไรในร่างกายแล้วต่อไปก็กล่าวถึงมรคคือข้อปฏิบัติว่ามรคคือข้อปฏิบัติหนทางนั้นนะ่ะคงมีแน่ทางนั้นจักไม่มีไม่ได้อันนี้คิดขึ้นเองนะมันต้องมีข้อปฏิบัติแน่นอนจำเราจากสแสวงหาทางนั้นเพื่อหลุดพ้นจากภพ ต้องสแสวงหาทางเพื่อให้เห็นพระนิพพานให้ได้ทีนี้อาศัยหลักการอะไรว่านิพพานมีอยู่ข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานมีอยู่ท่านก็คิดขึ้นเองพวกนี้จินตามัจยปัญญางนั้นคิดได้เองทั้งนั้นว่าเมื่อทุกข์มีอยู่แม้ชื่อว่าสุขก็มีฉันใดอันนั้นในโลกนี้ดูสิความทุกมีก็ยังมีความสุขมันสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามเมื่อพบมี สภาวะที่ดับพบก็ต้องปรารถนาฉันนั้นสภาพที่ดับพบต้องจำต้องปรารถนาฉันนั้นเนี่ยนะเมื่อความร้อนมีความเย็นก็มีฉันใดเมื่อไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะความดับไฟสามกองก็พึงปรารถนาฉันนั้นเหมือนกันเมื่อความชั่วมีแม้ความดีก็ย่อมมีฉันใดเมื่อความเกิดมีความไม่เกิดก็ต้องมีสิธรรมะที่ดับความเกิดก็ต้องมีถ้าเกิดได้ สิ่งที่ดับความเกิดก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราต้องปรารถนาธรรมที่ดับความเกิดฉะนั้นเหมือนกันเปรียบเทียบอุปมาอีกอันหนึ่งให้เห็นชัดว่าบุรุษผู้ตกในบ่ออุจจาระเห็นหนองน้ำมีน้ำเต็มไม่แสวงหาหนองน้ำชั้นใดเมื่อหนองน้ำคืออมะตะสำหรับชำระล้างมนทินคือความเศร้ามองมีอยู่ แต่คนไม่สแสวงหาหนองน้ํานั้นก็ไม่ใช่ความผิดของหนองน้ําคืออมตะก็ฉันนั้นถ้าตบอยู่ในบ่ออุจจระแล้วหนองน้ําที่ชําระชาล้างมีอยู่ไม่สแสวงหาหนองน้ําอันนั้นไม่ไปอาบเองใครผิดหนองน้ําไม่ผิดหรอกบุรุษผู้ถูกศัตรูทั้งหลายล้อมรอบเมื่อทางหนีมีอยู่บุรุษนั้นไม่หนีไปก็ไม่ใช่ความผิดของหนทางฉนาันใดบุรุษผู้ถูกกิเลสความเศร้าหมองกลุ่มรุมล้อมรอบ เมื่อทางอันรุ่งเรืองมีอยู่เขาไม่สแสวงหาทางนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของทางอันรุ่งเรืองฉันนั้นกิเลสเล่นงานมีอยู่นะข้อปฏิบัติเพื่อหลีกพ้นจากความทุกข์ก็มีอยู่ไม่ปฏิบัติแล้วโทษใครเหาือนกันไม่ใช่ทางนี่ไม่ผิดแน่เปรียบเหมือนบุรุษเจ็บป่วยเมื่อหมอมีอยู่ไม่ยอมให้หมอเยียวยาความเจ็บป่วยนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของหมอฉันใดป่วยแล้วก็นอนสมปฏิเสธหมอหมดเลยเนี่ยหมอไม่ผิดอยู่แล้วเหมือนน บุรุษทุกความเจ็บป่วยคือกิเลสบีดขันประสบทุกข์ถ้าหากว่าไม่สแสวงหาอาจารย์นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ฉันนั้นแม้อาจารย์น่าจะสงสารมาหาหน่อยซี่ไม่งั้นไม่ใช่ก็ถือว่ากิเลสเล่นงานและไม่สแสวงหาผู้ที่แนะนําได้ก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ที่แนะนําได้เพราะฉะนั้นถ้ากระไรเราพึงละทิ้งกายอันเน่านี้ที่เต็มไปด้วยซากศพไปเสียไม่ใหยดีและไม่มีความต้องการเท่บอกว่า ท่านนี่เป็นหนุ่มแน่นนะถ้าทำไมใช้คำว่ากายเน่าก็กปกติของกายเป็นเช่นนั้นจริงๆลองพูดสนทนากับคนที่ไม่เคยแปลงฟันมาดูเอบุรดปลดซากศพอันน่าเกลียดที่ผูกคอไปเสียมีแต่ความสบายมีเสรีมีอำนาจในตัวเองชั้นใดแต่ใครที่เคยมีศพแขวนคอเนี่ยนะมีศพแขวนคอถ้าเปลืองศพที่แขวนคอทิ้งไปเนี่ย มันจะมีความสุขขนาดไหนฉั้นใดเราก็พึงละทิ้งกายอันเน่านี้เป็นที่สะสมซากศพต่างๆไปเสียไม่ใหยดีไม่มีความต้องการฉันนั้นท่านคิดอย่างนี้เสร็จไม่ใช่ท่านไปฆ่าตัวตายนะที่ฟังให้ดีไม่ใช่ว่าเออมันน่าเบื่อเต็มทีฆ่าตัวตายซะดีกว่ามั้งันเนี้ยไม่ใช่นะนะฟังให้ดีฟังให้มันจบด้วยนะฟังไม่จบเดือดร้อนแน่ว่าเดือดร้อนเออยรู้จะมีชีวิตอยู่ไปทําไมแบบนั้น บุรุษสตรีละทิ้งอุจจาระเอาไว้แต่ในส้วมไปโดยไม่ใหญดีไม่พกพาไม่ต้องการฉันใดเราจะละทิ้งกายอันเน่านี้ที่เต็มไปด้วยซากศพไปเสียเหมือนทิ้งส้วมฉนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่เห็นมีใครแบกเอาไปด้วยเลยนะที่อินเดียนี่เห็นชัดเลยนะเราไปอินเดียลงรถไปแล้วหือเจ้าของเรือละทิ้งเรือรั่วนะเรือรั่ว ลำเก่าที่ชารุดไปไม่ใยดีไม่ต้องการฉันใดถ้าไม่ทิ้งก็จมอมต้องทิ้งอยู่แล้วฉันใดเราจะละทิ้งกายอันเน่าที่มีก้าวช่องไหลของไม่สะอาดไหลก้าวช่องเป็นต้นนะที่มีแต่ของไม่สะอาดไหลออกไปเปรี่ยวเป็นนิดเหมือนเจ้าของเรือละทิ้งเรือลำเก่าฉะนั้นเรียกว่าเรือรั่วนในบ่อ น, น้ำครัำเนี่ยนะว่าอะไรจะไหลเข้ามาบุรุษเดินทางไปกับพวกโจร นำสินค้าไปด้วยเห็นภัยคือความเสียหายแห่งสินค้าจึงละทิ้งพวกโจรไปเสียฉันใดากายอันนี้ก็เปรียบเสมอด้วยมหาโจรกายนี้มันเหมือนมหาโจรอย่างนะั้นมายอมให้ทําบุญง่ายๆหรอกจำเราจะต้องละทิ้งกายนี้ไปเพราะกลัวเสียหายแห่งกุศลฉะนั้นเหมือนกันใครที่ยิ่งอะไรยอาวัในร่างกายนะั้นเชื่อไหมยิ่งไม่เจริญกุศลยิ่งหวงแหนยิ่งทะนุถนอมยิ่งดูแลเอาใจใส่คิดหรือว่าจะได้เจริญกุศลยากกว่างั้น เพราะกายนี้เหมือนมหาโจรปล้นเอาบุญไปโม้ดเนี่ยนะเราครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ได้ให้ทรัพย์หลายร้อยโกดแก่คนที่ไม่มีที่พึ่งคนที่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งสละทรัพย์ไปหมดเลยนะแล้วก็เข้าหิมมวันแต่ประเทศคิดอย่างนี้บวชเลยในที่ไม่ไกลหิมมวันแต่ประเทศ มีภูเขาชื่อว่าธรมิกะเราก็ทำอาสมสร้างบรรณสาลาในอาสมนั้นเราสร้างที่จงกรมอันงดเว้นจากโทษหประการประกอบด้วยคุณ8ประการนำมาซึ่งกำลังแห่งอภิญยาในอาสมนั้นเราทิ้งผ้าอันประกอบด้วยโทษ9ประการนุ่งผ้าเปลือกไม้ที่ประกอบด้วยคุณ12ประการ เราละทิ้งบรรณสาลาอันเกลื่อนกลนไปด้วยโทษแปดประการเข้าไปอาศัยโคนไม้อันประกอบด้วยคุณสิบประการเราละธัญชาติที่หวานที่ปลูกแล้วไม่เหลือเลยบริโภคแต่ผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมดาอันประกอบด้วยคุณเป็นอันมากเราตั้งความเพียรณโคนไม้นั้นได้คือยืนนั่งยืนและเดินภายในเจวันก็บรรลุ ก, กาลังแห่งอภิน ญ, ญาเก่งมากเลยนะบวช7วันได้ดีเลย เมื่อเราประสบความสําเร็จชํานาญในาศาสนาคือลัทธิศาสนาอภิญญานะไม่ใช่าศ า, าสน า, า, าพูทธเจ้าศาสนาอภิญญาเหล่านี้แล้วพระชินเจ้าผู้นําโลกพระนามว่าทีปังกรก็อุบัติขึ้นพระพูทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกชื่อว่าพระทีปังกรเรานี่มัวแต่เปี่ยมไปด้วยความยินดีในฌานจึงไม่เห็นนิมิตสี่ประการนะมัวแต่เข้าฌานมันะโอภาสแสงสว่างแผ่นดินวันไหวไม่รู้เลยเช่นตอนที่พระองค์ อุบัตทคือปฏิสนธิในพระคันตอนที่พระองค์ประสูตรจากคันตอนที่พระองค์ตรัสรู้ตอนที่พระองค์ประกาศพระธรรมจกักรเราไม่รู้เรื่องเลยในถิ่นแถบปัจจันตะชนบทชาวรัมมะนะครรัมมะแปล ว, ว่าเมืองที่น่ายินดีะนะรัมมะก็สมัยใหม่เขาเรียกบุรีรัมคล้ายๆแบบนี้แหละรัมมะเหมือนกันมีใจยินดีแล้วก็นิมนต์พระตถาคต ช่วยกันแผ้วทางหนทางเสด็จมาของพระองค์เพรว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันหมายทุกคนเนี่ยช่วยสร้างถนนทำถนนกันใหญ่เลยสมัยนั้นเราออกจากอาสมของตนสะบัดภาพเปลือกไม้เหาะไปในท้องฟ้าอัมพรแปล ว, ว่าท้องฟ้าในขณะนั้นเราเห็นชนที่เกิดโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจแล้วก็ลงจากท้องฟ้า ถามคนทั้งหลายในทันทีคือมันแปลกว่าทําไมทุกคนทําทางด้วยความดีใจอะนะทำอย่างมีความสุขแต่ละคนไม่ได้ทำหน้าเครียดเลยมีความสุขจริงๆเกิดอะไรขึ้นมาคับมหาชนเกิดโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจบอกว่าพวกท่านแผ่ทางหนทางเพื่อใครกันทําทางต้อนรับใครเนาะคนเหล่านั้นถูกเราถามแล้วก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าผู้โยอดเยี่ยมพระนามวัตถีปังกน พระองค์เป็นผู้ชนะพระองค์เป็นผู้นำโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกเราทั้งหลายแผ่ทางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะช่วยกันถางช่วยกันถากช่วยกันขุดหนทางเนี่ยนะเพื่อพระพุทธเจ้าเพราะได้ยินคำมาพูดโทรเนี่ยนะปีติก็เกิดขึ้นแกเราในทันทีท่านสังสมบารมีมาสีอสงอสอสงไขแล้วเนี่ยนะ สั่งสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าคิดในใจเจ็อสงไขยแปลงวาจาทำบุญตั้งความปรารถนามาเก้าอสงไขยมันพอได้ยินคำว่าพุโทโธเนี่ยปีติทันทีเราเมื่อกล่าวว่าพุโทโธพุธโทโธก็ทราบซึ้งสมนัต ด, ดีใจมากเลยนะก็ถือว่าเป็นคำที่มีสาระที่สุดในจำนวนถ้อยคำทั้งหลาย เรายินดีประหลาดใจแล้วเนี่ยยินดีหรืออัศจรรย์ใจดีใจด้วยอัศจรรย์ใจด้วยก็ยืนคิดณนะที่ตรงนั้นว่าจำเราจักปลูกพืชคือบุญในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราจะต้องปลูกต้นบุญต้นกุศลในพระพุทธเจ้าองค์นี้ขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเลยขณะที่จะมีโอกาสได้ทําบุญอย่างนี้ไปหาที่ไหนอีกกว่างั้นก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพี่วา่าแปลว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านแผ่ถางทา ง, ทางเพื่อพระพุทธเจ้า ก็ขอพวกท่านจงให้โอกาสแห่งหนึ่งแกเราถึงเราก็จะแย่ถางหนทา ง, ทางเพื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยนะโอกาสบุญของเรามาถึงแล้วระหว่างนักลงทุนผู้ฉลาดเห็นช่องทางก็รีบเลยทันทีคว้าเลยไม่ปล่อยให้เลยไปคนเหล่านั้นก็ให้โอกาสแกเราเพื่อแ้ท่ทางหนทางในขณะนั้นเมื่อโอกาสคือสถานที่ที่เรายังชาระทำไม่สาเร็จ พระชินเจ้าทีปังกรมหามุนีก็เสด็จพุทธดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสี่แสนรูปผู้มีอภินยาหกเนี่ยนะผู้คงที่เป็นพระขีณาศพไร้ความเศร้าหมองล้วนแต่ผ้าหันบริวารเนี่ยส0 0แสนรูปติดตามเสด็จมาการรับเสด็จก็ดำเนินไปเนี่ยน ะ, ะเหการว่าเขารับพระพุทธต้อนรับพระพุทธเจ้าทำยังไงบ้างกลองเป็นอันมากก็ประโคมขึ้นเอง เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอดีตที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเอาเสียงเป็นทานเนี่ยมาก น, นะเสียงให้เสียงเป็นทานเนี่ยมากเพราะพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็จะมีเสียงเนี่ยเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ปลื้มปรามโมทแท้สองสาทุการเห็นพระพุทธเจ้าบอกสาทุความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเหมั้นพระองค์ตรัสรู้ดีและให้สาทุความเป็นธรรมดีของพระธรรมสาทุความเป็น ผู้ปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายเรวาวสองสาธุการอนุโมทนายินดีด้วยตลอดเลยนะผู้ที่ยินดีในพระรัตนตรายเหล่านี้แหละที่จะมีส่วนที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะเขาเห็นด้วยเขามีใจจริงๆอ่ะเมื่อเขามีใจต่อการตรัสรู้กับพระพุทธเจ้าในที่สุดเขาก็ได้ตรัสรู้จริงพวกเทวดาก็เห็นพวกมนุษย์พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์นะี่ไหมน่าอัศาจรรย์นะมนุษย์เห็นเทวดาสิ น, น่าอัศาจรรย์ แม้ทั้งสองพวกก็ประคองอัญเชลีตามเสด็จพระตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆถ้าสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนังกรมาฉันใดพระพุทธเจ้าทีปังกรก็เสด็จมาฉันนั้นเนี่ยนะพวกเทวดาก็บรรเลงดนตรีของที่พวกมนุษย์ก็บรรเลงด้วยดนตรีของมนุษย์แม้ทั้งสองพวกก็บรรเลงตามเสด็จพระตถาคต ในอากาศพวกเหล่าเทวดาก็เดินหนนเนะเทวดาล่องลอยหายตัวโปรยดอกไม้ดอกมณทารบดอกประทุมดอกปริชัตกะของทิพตลอดที่สานุทิทิศน้อยทิพใหญ่คนก็โปรยดอกไม้เนี่ยนะแต่แบบโปรยเข้าตอกนะโปรยดอกไม้ในอากาศพวกเหล่าเทวดาเดินหนนก็โปรยผงจุนจันทร์นะจุนเนี่ยก็คือพวกแป้งนะแป้งจันของหอมอย่างดีของทิพ ทั้งสิ้นที่สานุทิศแผนกโปรยดอกไม้ก็โปรยไปแผนกโปรยของหอมก็โปรยไปเนี่ยนะเป็นฝุ่นของหอมอ่ะพวกมนุษย์ที่ไปตามพื้นดินก็ชูดอกจำปาดอกช้างน้าวดอกกระทุ่มดอกกระถินพิมารดอกบุญนาคและดอกเกตทั่วที่สานุทิศอ่ะมนุษย์ก็มีดอกไม้ก็บูชาใหญ่เลยไม่รู้เพราะว่าโอกาสที่จะได้บูชาแบบนี้หายาก ณนะที่นั้นเราก็เปื้องผมหรือสีเนี่ยหรือสีทําไงบ้างอะ่ะตัวเราเองคือหรือสีซูเมตก็เลยบอกว่าเปื้องผมเปลืองผ้าอ่าก็เรีผ้าเปลือกไม้และแผ่นหนังปูลาดลงที่เปลือกตมเพราะว่าไอคนที่ให้ทําทางกันเหลือเกินเนี่ยนะให้ที่โครนตมนั่นแหละให้ท่านท่านมีฤทธิ์ท่านจะได้ทําเสร็จไวๆทีนี้ดันไปใช้แรงกายเข้ามันไม่เสร็จก็เลยก็เรียกว่าปล่อยผมเลยเนี่ยปล่อยผมแล้วก็ ผ้าเปลือกไม้แผ่นหนังเนี่ยที่ปูลาดปูลาดลงแล้วก็ตัวนี้ก็ควา่านอนคว่มตั้งความปรารถนาว่าขอพระพุทธเจ้ากับศิทธสาวกทั้งหลายจงเหยียบเราเสด็จไปอย่าทรงเหยียบเปือกตมเลยการอันนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อกลูลแกเราเขาเราียกว่าการที่พระองค์ทาแบบนี้เนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแกเรา เราก็นอนเหนือแผ่นดินก็คิดอย่างนี้ว่าเราปรารถนาพอนอนบนแผ่นดิน เ, นเห็นพระพุทธเจ้าคิดเลยนะว่าถ้าเราปรารถนาเราก็พึงเผากิเลสของเราได้ในวันนี้ถ้าปรารถนานะเป็นผ้ารหัสขณะนี้แหละประโยชน์อะไรของเราด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักด้วยการกระทําให้แจ้งอริยสัจธรรมในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วก็จะเป็นผู้พ้นเองจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นด้วยแปล ว, ว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเนี่ยนะแม่ก็ความคิดอันนั้นเนี่ยนะจ่ายแพงมากเลยนะเสียสงไขเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยท่วมไปหมดก็เพราะความคิดอันนั้นหลายคนก็บอกโอ้ไม่ยอมรอกัยนะถ้าโอกาสถึงเราขนาดนั้นเราจะไปยอมทำไมบางคนบอกโอ้เนี่นะถ้าพระองค์ไม่คิดแบบนั้นแล้วเราจะมีโอกาสได้ศึกษาคําสอนอย่างนี้หรือ นาน า, นาจิตตังเลยนะสุเมศบัณฑิตก็เลยคิดต่อไปว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยบุรุษผู้ทรงกําลังนะจะเพื่อข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวก็เรียกว่าผู้มีเรี่ยวมีแรงมีพะละกําลังอ่ะนะกำลังในที่นี้ไม่ใช่กำลังกายนะกำลังจิตใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีอะไรเพียงอะไรประโยชน์อะไรที่จะข้ามไปแต่ผู้เดียวเราบรรลุพระสัพพัญญตยานแล้วจักยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วย ตอนแรกนี่ท่านจะบรรลุให้ได้เลยนะท่านจะนิพพานให้ได้พอเห็นพระพุทธเจ้าบอกเออเราอีกไหนก็นแล้วกันเนี่ยนะด้วยอธิการบา ร, รมีนั้นอ่าด้วยอธิการคือการสละชีวิตเป็นพุทธบูชานี้ที่เราทําแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดเราบรรลุพระสัพพัญยุตยานก็จักยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอหะสงสารอันบุญกุศลที่สละเป็นพุทธบูชาอันนี้ เพื่อช่วยอะนะตารียมโตใชนะ่ที่กล่าวเมื่อเช้าว่าเพื่อจะช่วยสัตว์ให้ข้ามได้เราตัดกระแสสังสารวัตรกาจัดภพสามแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอฆะสงสารตัดกระแสสังสารวัตรด้วยอริยมรร์กาจัดภพสามขึ้นสู่ธรรมนาวาก็คืออริยมรร์โลกุตระธรรมเนี่ยนะ อย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามไปด้วยก็อันนี้คือความปรารถนาสุเมศบัณฑิตนอนเสร็จก็สละชีวิตอุทิศพระพุทธเจ้าเสร็จก็ตั้งความปรารถนาอย่างที่กล่าวไปพระทีปังกรพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกโลกวิทูผู้รับของบูชาเนี่ยนะผู้สมควรแก่การรับบูชาเนี่ยประทับยืนใกล้ศีรษะเราได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูดชดินดาบทผู้มีตะบะสูงผู้นี้ พยากรณ์ในอนาคตต่อไปเลยว่าในกับที่นับไม่ได้ตั้งแต่วันนี้โดยจํานวนกับนะหน่วยคือกับเนี่ยนับไม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกก็คืออีกบอกอีกเสียสงไขแสนกับเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตถาคตออกอภินีสกรมหรือออกเนคขมมะจากนาครอันหน่าเรื่นรมชื่อว่ากบิลพัฒตั้งความเพียรธรรมทุกขะกิริยาประพฤติปฏิบัติทำได้ในสิ่งที่ทําได้โดยยาก ตถาคตประทับนั่งณโคนต้นอาชปาลนิโครธประคองรับมัทุปายาตของใครนางสุชาดาณที่นั้นแล้วจักเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชาราพระชินเจ้านั้นเสวยมัทุปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราแล้วจักเข้าไปที่โคนต้นโรพพฤกตามทางอันดีที่เขาจัดตกแต่งไว้ดีแล้วจากนั้น พระผู้มียศใหญ่ก็จะกระทาประทักสินโพธิมันทสถฐานเรียกว่าขวงต้นโพเนี่ย น, นะจักแทงตลอดพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นอสพรึกหรือต้นโพใบก็สรุปว่าอีกสียสงไขแสนกับจะได้ประทับนั่งบนที่โพธิที่บัลลังตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำพยากรณ์อันนี้ก็ไม่เลวเปล่าใช่ไหมบัดนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วจนจะหมดศาสนาอยู่แล้วว่างั้นเห็น พระชนนีของดาบทผู้นี้จะมีพระนามว่ามายาพระชนกพระนามว่าสุทโธธนะดาบทผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะเนี่ยนะโคดมเนี่ยนะพระโ ก, โ, โกลิตะคือโมคคลาณนะและอุปติสะสารีบุตรจะเป็นอัครสาวกผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นอุป ส่วนอุปถากชื่อว่าอานันทะจักบำรงพระชินะผู้นี้เนี่ยนะพระนลคือผู้ธอุปถาคตอนนั้นเนี่ยนะพระนลไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้ภาษีภาษาอะไรเลยเพราะพระนลเนี่ยเพิ่งจะสร้างบารมีแสนกลับหลังมาเนี่ยพระใอสีสงไขเนี่ยพระนลเนี่ยตอนนั้นไม่ปภาษีภาษาอะไรแต่พระพุทธเจ้าพย า, พยากรณ์ไว้เบ็ดเสร็จแล้วนะพวกเรานี่ใครได้พยากรณ์อะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ทราบนะนอนนึกเกินพุทธเจ้าผ่านม า, มามากมายเหมือนโจรเนีน้ยนะ ใช่แล้วบายบายละคำนั่นเนี่จนเลิกแล้วพระเขมาและก็พระอุบลวันนาเนี่ยนะจะเป็นอักขรสาวิกาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพระเขมาเถรีผู้มีปัญญาอุบลวันนาเถรีผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกกันว่าอสัตถพฤกแปลว่าโพใบเป็นตระกูลไสชนิดหนึ่งเรียกว่าไซพันใบเนี่ยนะที่ให้ใบดก ส่วนจิตตะครอหาบดีและหัตถะหัตถอลาวกะจะเป็นอัคขระอุบาสกอุบาสกอุปถาชายก็คือจิตตะครอหาบดีกับหัตถอลาวกะหัตถอลาวกะก็คือที่พระองค์ไปแสดงทำให้อลาวกะยักษฟังนะอุบาสกคนเนี้ยที่เป็นเด็กที่จะให้ถูกยักกินนี่แหละจะเป็นอุปถาชัยนันทมาตาและอุตตราจะเป็นอักระอุบาสิกาอุบาสิกาฝ่ายหญิงเนี่ยที่คอยอุปถาพระพุทธเจ้า ไม่กล่าวถึงนางวิสาขากับอาาถาเลยนะน่าจะกล่าวว่างน ะ, ะไหนเะนี่ยไม่จิตตะพฤหบดีพระชนมายุ ข, ของพระโคโดมนั้นประมาณร้อยปีมนุษย์และเทวดาได้ฟังพระดำรัดนี้ของพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้เสมอแล้วก็ดีใจว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ทางกูลคือหนอพระผู้เทธเจ้าผู้นี้แหละจะได้ตรัสรู้เป็นพระผู้เทเจ้าต่อไปในอนาคต หมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวดาก็พากันส่งเสียงห่วร้องปรบมือหัวเราะประคองอัญเชลีนมาส ก, การกล่าวว่าทุกคนย่อมยกมือท่วมเลยนะว่าถ้าว่าพี่ว่าถ้าว่าพวกนี้อันเดียวกันถ้าหากว่าพวกเราพลาดคําสอนของพระโลกก น, นาทีปังกรพระองค์นี้ในอนาคตการอีกสี่อสงไขยเราก็จะตั้งอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ ผู้ที่บรรลุสมัยพุทธกาลนะส่วนหนึ่งอ่ะคือกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่คิดแบบนี้แหละที่ได้บรรลุเนี่ยนะถ้าดูจากอัปทานเนี่ยไม่น้อยเลยเนี่ยพวกนั้นรอค้างดาวค้างฟ้ามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรจึงได้มาตรัสรู้ในสมัยพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่น้อยนะเช่นพวกกลุ่มเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเปรียบเหมือนมนุษย์ทั้งหลายอ่เาเขาอุปมาอีกนะพวกพวกที่ตั้งความปรารถนาขอรู้ตามพระพุทธเจ้าก็อุปมาว่า เปรียบเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ําถ้าพลาดท่าน้ําหรือพลาดเรือลํานี้ตรงนี้ก็จะไปยังท่าน้ําท่าหลังหรือเรือลําหลังมาข้ามแม่น้ําเราก็จะสามารถจะข้ามห่วงน้ําใหญ่ไปได้ฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าพ้นจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ต่อไปในอนาคตตการเราจะต้องอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าฉันนั้น ฝ่ายพระพุทธเจ้าทีปังกรผู้รู้โลกผู้ทรงรับของบูชาทรงประกาศกรรมของเราแล้วก็ทรงยกพระบาทเบื้องขวาพระพุทธชินรสทุกพระองค์ซึ่งอยู่ณนะที่นั้นก็ได้ทำประทักษิณเราพวกเทวดามนุษย์อสูรยักษ์ไหว้เราแล้วก็หลีกไปเพราะว่าไหว้โพธิญาณที่ผู้นี้จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตทุกคนก็จากไป เมื่อพระผู้นำโลกพร้อมทั้งพระสงฆ์รับสายตาของเราไปแล้วเราก็ลุกขึ้นจากที่นอนนั่งขัดสมาธิทันทีเราประสบสุขโดยสุขบันเทิงใจด้วยความปราโมดผ่องใสยอย่างยิ่งโดยปีตินั่งขัดสมาธิในขณะนั้นดีใจอย่างสุดซึ้งเลยนะก็ใครที่บอกว่าแม้ดีใจที่บอกว่าจะสอบได้จะสอบได้ที่มันสอบยากๆเนีแหมดีใจแล้วฟังแล้วยิ้มเลยนะหรือคนที่ป่วยมานานบอกอุ้ยหายหายแหมฟังแล้วยิ้มเลยนะ เรานั้นก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็คิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่าเราชํานาญในฌานสมัยนั้นเนี่ยฌานเนี่ยท่านเข้าถึงจุดสุดยอดของฌานถึงฝั่งอภิญญาฤาษีทั้งหลายในหมื่นโล ก, กะธาหรือหมื่นจักรวาลที่เสมอเราไม่มีในเรื่องฌานอภิญญาไม่มีผู้เสมอเหมือนเราในอิทธิอิทธิธรรมก็คืออิทธิฤทธิทั้งหลายเราก็ได้สเสวยความสุขเช่นนี้แนละ้วเรียกว่าโลกิยะสุขทั้งหลายที่มีอยู่ขณะนั้นนะ ท่านเข้าถึงหมดแล้วท่านได้สวยสุขเหล่านั้นทั้งหมดในการนั่งขัดสมาธิของเราคือคือพอได้รับพุทธประโยชน์เสร็จแล้วพงศ์ก็นั่งสมาธิคิดไปด้วยเนี่ยนะคิดถึงคุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่คิดถึงความที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในหมื่นโลกาธาตุก็ส่งเสียงเอิบ ก, กระริกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแน่บอกผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ก็เลยกล่าวกันว่า นิมิตเหล่าใดเครื่องหมายนะเครื่องหมายนิมิตเครื่องหมายที่จะให้พยากรณ์ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ก่อนในการนั่งขัดสมาธินิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้คือคือทุกอย่างมันจะมีเครื่องหมายบอกหมดเลยว่าจะสําเร็จจริงหรือไม่จริงอ่ะนะมันดูได้จากเครื่องหมายที่ปรากฏขึ้นเช่นความเย็นก็หายไปความร้อนก็ระงรับนิมิตเครื่องหมายเหล่านั้นปรากฏแล้วในวันนี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่เทวดาเข้าพยากรณ์นะ เทวดาเข้ามาพยากรเขาไม่มีอนาคตต่างสยาเนะีบอกดูได้จากอะไรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดูซิเนี่ยมันเลิอกอากาศที่มันเย็นยะเยือกมันก็หายเย็นความร้อนที่ระอุ่มันก็หายร้อนเรียกว่าอากาศพอดีเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเอออาศัยเย็นอาศัยร้อนมาพยากรเนี่ยนะ